กายานุปัสนาหมวดท่าภิกษุทั้งหลายอีประการหนึ่งภิกษุพิจรารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุทั้งหลายคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชนานาญครั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอววะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่ โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมอยู่ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ละถึงภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดธาตุจบ กายานุปั ส, สนาหมวดป่าชา้าเก้าหมวดภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งหนึ่งิุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้วหนึ่งวันตายแล้วสองวันหรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม่ฉันใดพิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นฉันนั้นเหมือนกันว่า ถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่และถึงภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหล 2. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งพึงกินนกตะกรุมจิกกินสุนักกัดกิน สุนักจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นฉั้นนั้นเหมือนกันว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ละถึงภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล สาิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดมีเอ็นเรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึง 4. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปะมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดหภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกไม่มีเลือดและเนื้อ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 กระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกหน้าอกอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแขนอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกไหล่อยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นฉันนั้นเหมือนกันว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ละถึงภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล 7. เจ็ดภิกษุเห็นแทกศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังแม้ชั้นใด8ป ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกิดกว่านหนึ่งปีแม้ฉันใด 9. ภิกษุเห็นซากศพอันเขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นกระดูกผุปนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุนั้นนำกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบให้เห็นฉันนั้นเหมือนกันว่าถึงกายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญยานเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดปาช้าเก้าหมวดจบกายานุปัสสนาสติปฐานจบ เวทนานุปัสนาสติปัทานภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เมื่อเสวยสุขเวทนาความรู้สึกสุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนา 2. เมื่อเสวยทุกเวทนาความรู้สึกทุกก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกเวทนา 3. เมื่อเสวยอะทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนา 4. เมื่อเสวยสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่มีอามิ t h 5. เมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรห เมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว we <ét> ่าเราเสวยทุกขเวทนาที Clear ่มีอามิตรเจเมื <wh pea> ่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตร 8. ปเมื่อเสวยอทุคขมสุขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราเสวยอทุกคมสุขเวทนาที่มีอามิตรเก้าเมื่อเสวยอทุคมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิ t h ก็รู that that ated, it, meaning, is, enfin ้ชัดว่าเราเสวยอทุคมำสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่ หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในเวทนาทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าเวทนามีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อย่างนี้แหล เวทนานุปัสนาสติปทานจบจิตานุปัสนาสติปฐานภิกษุทั้งหลายพิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะสองจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะสามจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะสี่จิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะห้าจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะหกจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะ เจจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหู 8. จิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่าน 9. จิตเป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตะสิจิตไม่เป็นมหาคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตะ1 1จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า 12. จิตไม่ม yeah. yeah. yeah. ีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รูいい้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื Jeju ่นยิ่งกว่า 13. จิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิ 14. จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิ 15. จิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้ว 16. จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้ Blue ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แหละจิตตานุปัสสนสติปทานจบ ธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดนิวรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์หประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์หประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง เมื่อการมาชันทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่ากามาชันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อกามาชันทะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่ากามาชันทะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งกามาชันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามาชันทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและกามาชันทะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. เมื่อพยาบาทภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น และพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อถีนมิทะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าถีนมิทะภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและทีนมิทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทจจะกุกุจจะภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจจะกุกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจจะกุกุจจะภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าอุทจจะกุกุจจะภายในของเราไม่มี การเกิดขึ้นแห่งอุทจฉากุกระจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละอุทจฉากุกระจัที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทจฉากุกระจัที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อวิจิกิจฉาภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในของเรามีอยู่ ห ร, หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น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 หมวดขันภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าประการอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันห้าประการอยู่ว่าหนึ่งรูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ 2. เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ 3. สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ 4. สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ห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 หมวดขันจบหมวดอายาตนะภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายาตนะภายใน6ประการและอายาตนะภายนอกหประการอยู่ ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายใน6กประการและอายตนะภายนอก6กประการอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตารู้ชัดรูปและสังโยชน์ใดอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละสัมโยที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสัมโยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2. รู้ชัดหูรู้ชัดเสียงละถึง 3. รู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่น 4. รู้ชัดลิ้นรู้ชัดรส 5. รู้ชัดกายรู้ชัดโผฏฐะ 6. รู้ชัดใจรู้ชัดธรรมารมและสังโยชน์ใดอาศัยใจและธรรมารมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นก็รู้ชัดสังโยชน์นั้นการเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้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 พ่อชงพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือพ่อชงเจ็ประการอยู่พิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชอชงเจ็ประการอยู่ททย อ, อ, ยอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเมื่อสติสามพ่อชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าสติสามพ่อชงภายในของเรามีอยู่ หรือเมื่อสติสัมโูชงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่าสติสัมโูชงภายในของเราไม่มีความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโูชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งสติสัมโูชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 2>, 2. เมื่อธรรมวิจยสัมโูชงภายในมีอยู่ละถึงส เมื่อวิริยะสัมพโอชงภายในมีอยู่ 4. เมื่อ <contexto> ปิต <adversity breaks down studies> ิสัมพโอชงภายในมีอย <you> ู Pent ่ 5. เมื่อปัสธิสัมพโอชงภายในมีอยู่ 6. เมื่อสมาธิสัมพโอชงภายในมีอยู่ 7. เมื่ออุเบกขาสัมพโอชงภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมพโอชงภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุเบกขาสัมพชงภายในไม่มีก็รู้ชัดว่า อุเบกขาสัมพ่อชงภายในของเราไม่มีการเกิดขึ้นแห่งอุเบกขาสัมพ่อชงที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและความเจริญบริบูรณ์แห่งอุเบกขาสัมพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่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 ไม่อาศัยตันหาและทิฏฐิอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพ้ชงเจ็บประการอยู่อย่างนี้แหละหมวดโพชชงจบพาณวาระที่หนึ่งจบ มวดสัจจะภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสีอยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ 2. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขสมุทัย 3. รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์น้โรธสีรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนิ้โรธคามินีปฏิปทาทุกขสัจจะนิเทศทุกขเรียสัตเป็นอย่างไรคือชาตเป็นทุกขชาาเป็นทุกขมรณะเป็นทุกขโซกะปริเทวะทุกขโทมานตุบายาเป็นทุกขการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข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 คือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชรามรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทําลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรติอยู่การทํากาลละความแตกแห่งขัน ความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตดินรีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะโซกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกกิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่า โสกะปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความครื่มครวนกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่ครื่มครวนภาวะที่ร้องไห้ภาวะที่ครื่มครวนของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเคตแ่งทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุกเป็นอย่างไรคือความทุกทางกายความไม่สาราญทางกาย ความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่กายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์โทมนัตเป็นอย่างไรคือความทุกขท์ทางใจความไม่สําราญทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สําราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่มโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัตอุปาญาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแค้นภาวะที่แค้น ภาวะที่คับแคนของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าอุปายาตการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือการไปร่วมการมาร่วมการประชุมร่วมการอยู่ร่วมกับอารมณ์อันไม่เป็นที่ปรารถนาไม่เป็นที่รักใคร่ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรส โทธะพระธรรมอารมณ์หรือจากบุคคลผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุขไม่ปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขานี้เรียกว่าการประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์การพลาดจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือการไม่ไปร่วมการไมมาร่วมการไมประชุมร่วม การไม่อยู่ร่วมกับอารมณ์อันเป็นที่ปรารถนาเป็นที่รักใคร่เป็นที่ชอบใจของเขาในโลกนี้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสโ พ, พัพภะธรรมารมหรือจากบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาความเกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความเกษมจากโยคะของเขาเช่นมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวมิตรอมาร์ตหรือญาสาโลหิตนี้เรียกว่า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 เราสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาหรือขอความแก่อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้ไม่พึงสำเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เราสัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราสัตผู้มีความตายเป็นธรรมดาเราสัตผู้มีความเศร้าโศก ความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นเป็นธรรมดาเลยและขอความเศร้าโศกความพิไรรำพันความทุกความโทมนัสและความขับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยข้อนี้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 อุปาทานขันคือสังขารและวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันหประการเป็นทุกขนี้เรียกว่าทุกขอริยสัต